บุ๊ก <Book> 2แปดสิบสี่โอซึมเดซิตยี่สิบสี่โอซึมเดซิตยี่สิบสี่อ <Ch> ผมอ่านแล้ว yes, <Ch> yes, ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วร yes, yes, เข้าใจราสบีบรา ผมเข้าใจแล้ว Yes r a s yes, b r a v y s r a b r a v ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Yes gorazbrav celiot e k s t Yes gorazbrav e l t e k s t ตอบ odgovara o g o v a r a ผมตอบแล้ว y e отговорив. отговорив. ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว y e отговорив на с п р y e отговорив на с п р ผมทราบแล้วผมได้ทราบแล้ว Yes, узнал то. Yes, у з н а то. Yes กูซ้ำตัว Yes กนตัวผมเขียนผมได้เขียนแล้ว Yes วตัว Yes ตัว Yes กวตัว Yes กูน่าพตัวผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้ว ย่าส์ก็สลุชันทัวย่าส์ก็สลุชนาฟ о ัวย่าส์ก็สลุ о ันทัวย่าส์ก็าผมกำลังรับผมได้รับแล้วย่าส์ก็ а ิมม์ทัวย่าส о ก็ัว ผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้วยัสโกโนซัมโตยัสโกโดเนโซฟโตยัสโกโนซัมโตยัสโกโดเนฟโตผมซื้อผมได้ซื้อแล้วยัสโกคุปุวมโตะยัสโกคุปิฟโตยสโกคุปวมโตะ Yes กูคูไปฟตัวผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่า y s กูเช็คคูว่ตัว Yes กูเช็คคูวตัว Yes กูเช็คคูว่ำตัว y s กูเช็คตัวผมอธิบายผมได้อธิบายแล้ว Yes กูพยศนุว่ำตัว Јас го појаснив тоа. Јас го појаснувам тоа. Јас го појаснив тоа. Помр у. Помр ул јас го знам тоа. Јас го знае в тоа. Јас го знам тоа. Јас го знае в тоа.